แนะนำบทอัตตารีบทอัตตารีเป็นบทบัณฑิมีสิบสององค์การบทได้เริ่มกล่าวถึงการที่ท่านรอซูลสลลัลลอฮฺเพร่อละวัสลัมห้ามตัวท่านไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับทาสของท่านคือมาริยะอัลกิเดิยาซึ่งเป็นชาวคอสมาจากอียิปต์และห้ามตัวท่านไม่ให้มีความสัมพันธ์กับนางเพื่อเอาใจภริยาบางตนของท่าน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 อันเป็นการคุกคามการดำรงชีพของสามีพัญญาโดยได้ยกอุทาหร์ในเรื่องนี้ขณะที่ท่านได้บอกความลับแก่ฮับซอและขอให้นางปกปิดไว้เป็นความลับแต่นางได้เปิดเผยความลับนี้แก่อชิชาจงกระทั่งเรื่องได้แพร่อ อ, อกไปทำให้ท่านรอซูลโกรธเคืองยิ่งนักลงกระทั่งท่านตั้งใจที่จะหยา่าภรรยาของท่านบทนี้ได้กล่าวตาหนิบรรดาภรรยาของนบีสลลลอเวรสลัลล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 ด้วยพระนามขององัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยาเอเยฮ์นนบียลิมะทูฮารดิมมาอ ل ل มาะฮัลลัลลอฮุลักทับตต์ริมัตตอาต้อวาจิกวัลลาฮุัฟุร์รรฮีมโอ้นบีเ อ, อ๋ยทำไมเจ้าจึงห้ามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงอนุ ม, มัติให้แก่เจ้า เพื่อสแสวงหาความพึงพอใจของบรรดาภริยาของเจ้าหลับแล้วร้อนั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอความจริงอัลลอฮ์ได้ทรงกําหนดแก่พวกเจ้าแล้วในการแก้คําสาบานของพวกเจ้าแล้วร่อนนั้นเป็นผู้ทรงคุ้มครองพวกเจ้า ل وَإِذْ أ َ ص ْ ب ر َ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ح َ د ي ث ا فَلَمَّا ن َ ب َّ أ ت ْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ع َ ر فَبَعْضَهُ و َ أ ع ر َ ض َ ن ب َ ع ض فَلَمَّا ن َ ب َ أ ه َ ا بِهِ قَالَتْ مَنْ أ َ ن ب َ أ ك َ ه ذ ا และชงรำลึกถึงขณะที่ญญท่นานนบีได้บอกความลับเรื่องหนึ่งแก่ภริยาบางคนของเขาทัานเมื่อนานได้บอกเล่าเรื่องนี้แก่คนอื่นแล้วลอได้ทรงแจ้งเรื่องนี้แก่เขาท่านนาบีเขาก็ได้แจ้งบางส่วนของเรื่องนี้และได้แจ้งอีกบางส่วนทั้นเมื่อเขาท่านนาบีได้แจ้งเรื่องนี้แก่นางนางได้กล่าวว่าใครบอกเล่าเรื่องนี้แก่ท่าน เขาท่านนบีกล่าวว่าพระผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงตระหนักยิ่งทรงแจ้งแก่ฉัน หากเจ้าทั้งสองกลับเนื้อกลับตัวขอไผ่ทั่วต่อรอก็จะเป็นการดีกับเจ้าทั้งสองเพราะแน่นอนหัวใจของเจ้าทั้งสองก็อ่อนโยนอยู่แล้วแต่หากเจ้าทั้งสองร่วมกันต่อต้านเขาท่านอบีแพ้จริงคือผู้ทรงคุ้มครองของเขาอีกทั้งยิบรออีนและบรรดาผู้ศรัทธาที่ดีๆและนอกจากนั้นมาลายกะก็ยังเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนเขาอีกด้วย عسى رضه َ إلَّا قلَّكُنَّ أ َ ن ْ ي ُ ب ْ د ِ ل َ ه ُ أزواجاً َ ي ر ا م ِ ن ْ ك ُ ن ْ أ َ ز و ا ج ا ًَ ي ر ا مِنْكُنَّ م ُ س ل ِ م ا ت ٍ مُؤمِناتِ قانِتاتٍ َ تائباتٍ َ ا ئ َ ا ت ٍ ع ا ب َ ا ت ٍ س หา ก, า, า, ากพวกเขาอย่าพวกนางบางทีพระผู้บัญของเขาก็าจะทรงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงให้แก่เขามีภรรยาที่ดีกว่าพวกนางเป็นหญิงที่นอบน้อมธ่อมตนเป็นหญิงผู้ศรัทธาเป็นหญิงผู้พักดีเป็นหญิงผู้กลับเนื้อกับตัวเป็นหญิงที่มั่นต่อการเคารพพักดีต่อหรอเป็นหญิงที่มั่นต่อการถือสินโนดเป็นหญิงที่เป็นไม้ يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهلكم نار نار وقود الناس والحجارة عليها ملاك ة ل غ ل ا ط شدّ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงคุ้มครองตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกเพราะเชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์และก้อนหินมีมลาัายกาผู้แข็งกร้าวคอยเฝ้ารักษามันอยู่พวกเขาจะไม่ฟ้าฝืนอัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาแก่พวกเขาและพวกเขาจะปฏิบัติตามที่ถูกบัญชายยาอลละีกรร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 عسى ربكم أي يكفّر عنكم سيئاتكم ويُدخلكم جنات ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا ي ُ خ ز ا ل ل ه ُ النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم و ب أ ي م ا ن ه م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 ณเบื้องล่างนั้นมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านวันที่อลอสจะไม่ทรงทําให้ดบีและบรรดาผู้ศรัทธาร่วมกับเขาต้องอับอยศดแสงสว่างของพวกเขาจะส่องจ้าไปยังเบื้องหน้าของพวกเขาและทางเบื้องขวาของพวกเขาพวกเขาจะกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราขพระองค์ได้ทรงโปรดทําให้แสงสว่างของเราอยู่กับเราตลอดไปและทรงยกโทษให้แก่เรา แท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งโอ้นบีเอ๋ยจงต่อสู้กับพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกมุนาฟิกีนและจงแข็งก้าวกับพวกเขาเพราะที่พำนักของพวกเขาคือนรก ซึ่งมันเป็นทางกลับที่ชั่วช้ายิ่ง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 แล้วร้องสงยกอุทาหรณ์กับรรดาผู้ศรัทธาถึงภรรยาของฟิร์เอา์เมื่อนางได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉัน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 ال และมารยาบตรีของอิมรอนผู้ซึ่งรักษาพรมจรีของนางแล้วเราได้เป่าวิญญาณจากเราเข้าไปในนางและนางได้สรัทธาต่อบัญญัติต่างๆแห่งพระเจ้าของนางและได้ศรัทธาต่อคำพีต่างๆของพระองค์และนางจึงอยู่ในหมู่ผู้พักดีทั้งหลาย